ต่อไปนี้เราก็ <c oughs> านั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจของเราให้มีความสงบเพราะการที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามันนั้นก็มากแล้ว <c oughs> แต่รู้แล้วถ้าเราอย่างไม่ได้ปฏิบัติตาม ทำมานั่นก็ไม่ให้ผลคือเรารู้ว่ายังเดียวที่ว่าเมืเรามียาที่จะรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ให้มันหายไปได้ <c oughs> แต่เราก็เก็บยาไว้เฉยๆมาได้บริโภคยานั้นโรคที่เราเป็นอยู่มันก็ไม่สามารถที่ จะหายไปได้เพราะเราไมา่ได้กินยา <c oughs> ทรมาก็เช่นเดียวกันเราได้รู้แล้วว่าธรรมะข้อไหนเช่นสินเนี่ยสินห้ามีโทษอย่างไรมีคุณอย่างไรเนี่ยเรารู้แล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติความทุกข์ของเราก็ไม่ลดลง อวกรรมฐานแต่ละบทเช่นการพิจารณาร่างกายการเจริญเมตตาพรหมิหารการกำหนดลมหายใจเข้าออกเหล่านี้เป็นตน้นทำให้จิตใจของเราสงบถ้าเราไม่กำหนดจิตใจก็ไม่สงบเหมือนเรามียาแล้วเราไม่ได้บริโภคมัน นันทุกในชีวิตเราก็จะไม่ลดลงไปความสุขความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ดับทุกหรือว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเจริญขึ้นนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้มากมายสักเพียงไรก็ตาม ถ้าเราไมา่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วนี่มันก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ที่ว่า <c oughs> พระที่เรียน จ, จบพระไทยบิดกแต่สอนให้คนอื่นบรรลุมรรคผลมากมายแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีคุณธรรมอะไรแต่ว่าได้สอน ให้คนอื่นบรรลุมากผลนี้เป็นจำนวนร้อยจำนวนพันแต่ตัวเองก็ยังเป็นบุดิชนอยู่นั้นการรู้มากแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์เฉพาะการเรียนรู้เท่านั้น ที่ว่าอ <c oughs> ีท่านเปรียบเหมือนกับที่คนรับจ้างเลี้ยงโคเช้าก็มาโคไปเลี้ยงเย็นก็กลับมาส่งแล้วก็รับค่าจ้างไปแต่ไม่มีส่วนแห่งการได้ดื่มน้ำนมโคคือไม่ได้ส่วนไม่มีส่วนแห่งการเป็นเจ้าของน้ำนมโคอ่านะเพราะเป็นผู้เปียกเที่ยง ผู้รับจ้างเลี้ยงโคท่านพระที่เรียนรู้มากก็เช่นเดียวกันก็ <c oughs> เหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงโคคือเอาธรรมะของพระเจ้าไปแสดงไปแนะนําสั่งสอนผู้อื่น <c oughs> อแล้วก็ได้รับค่าจ้างเลี้ยงค่าจ้างก็คือกันเทศเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีส่วนแห่งการบรรลุมรคน เหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคเชาว เ, าเอามาตอนโคไปเลี้ยงเย็นก็กลับมาส่งแล้วก็รับค่าจ้างไปไม่มีส่วนแห่งน้ำนมมันมีส่วนแห่งน้ำนมแห่งแม่โคงา <c oughs> น, นการเรียนรู้มากสุกเพียงไรก็ทำถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วนีน่ความรู้นั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์คือไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของตนมีความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะขาดการประพฤติปฏิบัติเหมือนมียาดีแล้วไม่บริโภคโรคก็ไม่หายร่างกายของเราก็ทุกข์ทรมานเพราะโรคที่เป็นนั้นอยู่ต่อไป แต่ถ้าเราบริโภคยาไปแล้ว <c oughs> โรคที่เป็นอยู่มันก็หายร่างกายเราก็สมบูรณ์แข็งแรงนะอันนี้เหมือนกันเมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมะกันแะล้วศึกษาธรรมะนะรู้กันอยู่แล้วว่าสินห้ามีอะไรสินแปดมีอะไรนะพิจารณาร่างกายอย่างไรนะพิจารณาความตายอย่างไรนะ แต่เราไม่ได้เอามาพิจารณาไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติทุกในชีวิตเราก็ไม่ลดลงไปความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในการดาเนินชีวิตไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นท ร, รมาเนี่ย เราฟังกันอยู่เป็นประจำนะแต่พอฟังแล้วเราทิ้ง <c oughs> เราไม่ได้เอากลับไปคิดไม่ได้เอากลับไปพิจารณาเราเราฟังเราวางทิ้งอนะที่ท่านเปรียบเส ม, มือนกับหม้อฟั่มน้ําเทลงไปเท่าไหร่เนี่ยน้ํามันก็ไม่มีขังอยู่ลดลงไปมันก็ไหลหมด มันไม่มีน้าค้ังอยู่จิตเราเหมือนก็เหมือนหม้อปั้รรมนะทำมาก็เหมือนกับน้าเมื่อเราฟังไปฟังไปมันก็ไหลออกหมดมันไม่ตกค้างอยู่ในจิตถ้าเป็นหม้อ อ, อายเนี่ยมันยังมีน้ํคขังอยู่บ้างเมื่อเราเทลงไป <c oughs> น้ามันก็จะคังอยู่ในหม้อ จิตกำลัมกันถ้าเรารับปังธรรมะแล้วเก็บไปเนี่ยเก็บไปพิจารณา <c oughs> มันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเก็บไปประพฤติปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญดับความทุกข์นะอ่าฉะนั้นส่วนใหญ่ไอ <c oughs> ้ที่เราไอ้สิ่งที่เราจะต้องวางเนี่ย เราไปเก็บไปยึดในสิ่งที่เราจะต้องเก็บไปเนี่ยเราก็ไปวางคือความดีหรือว่าธรรมะเนี่ยเราฟังแล้วเราต้องเก็บไปไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติเก็บไปคิดเก็บไปพิจารณาแต่เราฟังแล้วเราวางเราวางมันไว้พอไปพอลุกจากนี้เราก็ทิ้งไว้ที่นี่หมดไม่ได้เก็บไป แต่เท่าคําด่าอคําดินทาว่าร้ายถ้าเราเกิดด่ากันที่นี่อหรือทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยว่าร้ายกันที่นี่ก็หกลอกลวงกันที่นี่เราก็จะเก็บไปสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นติดไปในแทนที่เราจะทิ้งสิ่งชั่วร้ายที่มันทําให้จิตใจเราเศร้ามอง ที่ทำให้ความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นในจิตของเราในชีวิตของเราเราก็เก็บมันไปแทนที่จะละวางทุกข์กับเก็บความทุกข์นั้นไป <c oughs> อันนี้เพราะเราไม่มีปัญญาหรือเราไม่มีปัญญาในทางธรรมนั้นเราก็จะเก็บมาข้าดาที่ไหนเราก็เก็บป้ปบางทีก็าดาเรามาเป็นสิบสิบปีแล้วเราก็ยังเก็บมาเก็บมาเรื่ มาผูกไว้ผูกโกรธผูกพยาบาทไว้เอามาคิดอยู่นั้นเอามาตรึกตองอยู่นั้นเก็บความชั่วร้ายเหล่านั้นมาไว้ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันชั่วร้ายมันบั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนสุขภาพจิตของเราเราก็เก็บมันมานั้นเป็นสิบสิบปีแล้วมันก็ยังไม่เลิกลากเรื่อการผูกโกรธผูกพยาบาทเอาไว้แทนที่เราจะทิ้งมันไป <c oughs> นั้นในสิ่งที่เราจะต้องทิ้งเราเก็บมันมาส่วนในสิ่งที่เราจะต้องเก็บไปเรากลับทิ้งมันนั้นเราจะเห็นว่าวันนึงจิตเราไม่ได้อยู่กับธรรมะไม่ได้อยู่กับการพิจารณาธรรมะจิตเราส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในเรื่องอื่นๆใชในเรื่องที่เราจะต้องทิ้งเราก็เก็บไปดำริไปคิดไปตรึกตรองอยู่ แต่ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บไปพิจารณาเก็บไปใช้ในการดาเนินชีวิตพอเราฟังแล้วเราทิ้งเลยไม่เอาไปนั้นความดีเราไม่เก็บไปเนะี่ยความดีเราไม่เก็บไปใช้ไม่เก็บไปพิจารณานั้นความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราพอเราไม่เก็บ ไม่เก็บธรรมะไปพิจารณาไม่เก็บ <c oughs> ความดีไปไว้ในใจนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเก็บความดีเราคิดเรื่องการที่เรามาฟังธรรมมาพิจารณาหลักธรรมล้วเราคิดเรื่องการที่เราทำทานการกุศลไ้เนะี่ยเราคิดในสิ่งเหล่านี้ใจเราจะเป็นสุขใจเราจะชุ่มชื่นเบิกบาน แต่ถ้าเราไปคิดในแนวทางโกรธพยาบาทปองร้ายผู้อื่นโลภริษยาผู้อื่นจิตอันนั้นก็จะทำให้เราทุกข์เราเดือดร้อนเรื่ความเศร้หอมองเกิดขึ้นในจิต <c oughs> นั้นถ้าเรามีปัญญาเราลองพิจารณาหรือว่าเปรียบเทียบดูในจิตของเราเวลาที่มันเกิดอารมณ์นั้น เกิอารมณ์แต่ละอารมณ์นี่เราพิจารณาเวลาที่เราคิดให้ทานเป็นยังไงเวลาที่เราคิดมาฟังธทำอิจรักษาศีลเป็นยังไงแล้วกับเวลาที่เราคิดโกรธผู้อื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่นหรือว่าคิดโรคปริษยาผู้อื่นเป็นไงจิตของเราเป็นไง เราลองใช้ปัญญาลองพิจารณาดูนั้นเราไม่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งเราเนี่ยไม่พิจารณาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเรา <c oughs> โดยมากเราไปใช้ปัญญาหรือว่าใช้กิเลสเนี่ยไปคิดมองคนอื่นคิดเพ่งไปข้างนอกอคิดว่าไ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้น <c oughs> ทำอย่างนั้นกับเราไว้อย่างนี้กับเราไวน้นี่เราคิดมองไปแต่คนอื่นไม่คิดดูตัวเราไม่คิดดูจิตของเราเนี่ยนความคิดที่เราเพ่งไปคนอื่นมันทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าหมองแต่ถ้าเราคิดมาที่ตัวเราคิดมาดูที่จิตของเราแล้วมันหยุดหยุดตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นนิโรธอะ คือหยุดคิดในการเพ่งโทษคนอื่นคิดในการพยาบายเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราหยุดมันมันก็เป็นนิโรธคือดับคือตัวดับทุกข์นั้นให้เราลองสังเกตรหรือว่าลองพิจารณาดูนั้นธรรมะเหล่านี้เราได้เรียนรู้กันแต่มันขาดอย่างเดียวคือขาดการปฏิบัติตาม เราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้ผลมันเกิดผลขึ้นกับเราไม่มากก็น้อยคือปฏิบัติเมื่อไร่ก็เกิดผลเมื่อนั้นยิ่งเราปฏิบัติต่อเนื่องมันก็เกิดผลสืบเนื่องกับเราแล้วยิ่งเราละสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้หมดคือละกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราได้หมดมันนั้นเราก็จะพบกับปามสันติสุข ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงอันก็ เ, เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเยือกเย็นของจิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปตามโลกนั้นถ้าเราฟังธรรมมาแล้วรู้แล้วอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติเมื่อไหร่ผลก็เกิดขึ้นมานั้นเพราะว่า <c oughs> พระพุทธเจา้ายึงทรงแสดงว่าถ้าโลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามรมรรคมรคที่มีองค์แปดอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระมรันนั้นเราปฏิบัติสิลเมื่อไรความสงบก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อนั้นความสุขก็เกิดขึ้นเราเมื่อนั้นหรือว่าเราดับความโลภได้เมื่อไรดับความโกรธได้เมื่อไรความสงบสุขก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อนั้น วันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเรากี่ครั้งเราดับมันได้นะมันก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ดับมันเสียถ้าเราดับมันได้จิตใจเราก็ไม่ถุรนทุรายไม่ว่าวุ่นมันก็มีความสงบนั้นเมื่อมันเกิดมาเราก็ดับมันมันเกิดมาเราก็ดับมันจนไม่มีจะเกิดเมื่อไม่มีจะเกิดมันก็ไม่มีจะดับ รอนิพพานคือการไม่เกิดคือมันไม่มีกิเลสจะเกิดนั่นเนีมันไม่มีเกิดไม่เกิดมันก็ไม่ตายอ่คือเราดับมันไปเรื่อยๆเวลามันเกิดมาแล้วก็หาวิธีดับมันโลภเกิดมาแล้วก็หาวิธีดับมันโกรธเกิดขึ้นมาเราก็หาวิธีดับมันเราดับมันไปเรื่อยๆจนดับมันจนกระทั่งมันไม่มีจะเกิดนะคือมันหมดกิเลส มันไม่มีจะเกิดนั้นไม่มีเกิดมันก็ไม่มีตายหรือว่ามีไม่มีเกิดก็ไม่มีดับนั้นนิพพานจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายก็เราเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติที่สงบเยือกเย็นเพราะไม่มีกิเลสมาเกิดเมื่อไม่มีกิเลสมาเกิดก็ไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นไม่มีทุกข์ที่จะดับ นั้นนิพพานถึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายอ่านะครับไปนิพพานคือไม่เกิดนะอ่ไม่เกิดคือทุกข์ในมันไม่เกิดขึ้นในจิตของเราแล allora. es, e e ้วไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแะอ่าไม่มีทุกข์มาเกิดไม่มีทุกข์ที่จะแก่ไม่มีทุกข์ที่จะเจ็บไม่มีทุกข์ที่จะตายอีกต่อไปเพราะมันไม่มีเกิดไม่มีทุกข์มาเกิดมันก็ไม่มีทุกข์ที่จะแก่ไม่มีทุกข์ที่จะเจ็บไม่มีทุกข์ที่จะตาย นั้น <c oughs> เราศึกษาธรรมะแล้วเราต้องเอาไปพึ่ประพึ่บปฏิบัติแล้วเราจริงจะเห็นคุณค่าของธรรม ะ, ะเราปฏิบัติแล้วจริงจะเห็นผลว่าเราปฏิบัติทาแล้วได้ความสุขอย่างไรได้ความสงบอย่างไรอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หรือเราปฏิบัติได้แค่ไหนมันก็ได้ผลแค่นั้นปฏิบัติได้น้อยก็ได้ผลน้อยปฏิบัติได้มากก็ได้ผลมากานั้นถ้าเรานำไปปฏิบัติแล้วผลมันเกิดทั้งนั้นไม่ใช่มีเกิดผลปฏิบัติเมื่อไหร่ผลก็เกิดเมื่อนั้นคือไม่ต้องร อ, อไม่ต้องรอไปถึงพบหน้าชาติหน้าปฏิบัติเมื่อไหร่ผลมันเกิดเมื่นั้น แต่ว่ามันจะเกิดมากหรือเกิดน้อยอยู่ที่การที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเรายิ่งปฏิบัติสืบเนื่องผลมันก็จะเกิดต่อเนื่องกับชีวิตของเราถ้าเราปฏิบัติใ้ช่วงขณะหนึ่งผลมันก็เกิดชิ่นขณะหนึ่งมันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติ อนั้นก็ขอให้เราได้พยายามนำหลักธรรมที่เราเรียนรู้หรือว่าได้ยินได้ฟังแล้วนำกลับไปพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคือเราปฏิบัติได้มากเราก็ได้ผลมากปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อย <c oughs> อยู่ที่ตัวเราเองคือคืออยู่ที่ตัวเรา เราต้องทำเมาเองถึงใครทำให้เราไม่ได้พระอินทร์พระพรหมที่ไหนก็มากำหนดชะตาชีวิตของเราไม่ได้ถ้าเราไม่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองหมอดูที่ไหนก็มากำหนดชะตาชีวิตเราไม่ได้พระอินทร์พระพรหมก็มากาหนดชะตาชีวิตเราไม่ได้นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราให้ดีให้ชั่ว คือชีวิตเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเรากำหนดขึ้นมาเองเราทำขึ้นมาเองไม่ใช่พระอินทร์พระพพระพรหมอริกขิตชีวิตเราไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนมาจะกำหนดชะตาชีวิตเราหรือว่าไม่ใช่หมอดูเลิกดูยามจะมากำหนดชะตาชีวิตเราได้ตัวเราเองนะั้นที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราเอง เราทำความดีความสุขมันความเจริญเมื่อเกิดขึ้นในชีวิตเราเราทำความชั่วความทุกข์เดือดร้อนก็เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าจิตใจของเรามีความคิดที่ดีเราก็จะทำดีอยู่เสมอถ้าจิตใจของเรามีความคิดที่เลวร้ายมันก็การกระทำก็จะเลวร้ายส่งผลให้ชีวิตเราเดือดร้อนอยู่เสมอนั้นมนอยู่ที่ตัวเรา จะเป็นคู่กาหนดชะตาชีวิตของเราเองเราจะเป็นคนดีคนชั่วอยู่ที่เราเราจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่ที่ตัวเรากาหนดชีวิตของเราเองแม้แต่เราจะเป็นพระโสดาบันพระสิกขาคามีพระอนาคามีพระหันพระปัจเจพเจ้าพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เป็นผู้กาหนดชะตาชีวิตของเราเอง คือเราสร้างคุณธรรมเรานั้นให้เกิดขึ้นมาคือพวกเราทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นได้ถึงเป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยชานก็ได้เป็นมนุษย์อยากจนข้นแขนก็ได้อเป็นมนุษย์ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้เป็นมนุษย์ที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้อเหลือจะกําหนดชะตาชีวิตให้เป็นเทวดา เป็นพระอินทร์พระพรหมอะไรได้หมดเป็นพระโสดาพระติกิทาคาพระนาคาพระหัน์พระปัจเจ้าพระสัพพัญญุสัมมาพุทธเจ้าหรือว่าใหญ่จะเป็นอระครักสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายอะไรเราสามารถกําหนดชะตาชีวิตได้หมดถ้าเราเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิปทาเหล่านี้ไว้ทั้งนั้น เราต้องการเป็นอะไรเราก็สร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาอต้องการเป็นเทวดาก็สร้างคุณธรรมของเทวดาให้เกิดขึ้นในตัวเรามีความระอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเราต้องการเป็นพระพรหมเราก็สร้างคุณธรรมของพระพรหมให้เกิดขึ้นคือพรหมวิหันสีต้องมีอยู่ในใจตลอดอืหรือว่าเราต้องการที่จะเป็นพระโสดา รักสกาาคาพระนาคาพระหันเราก็สร้างคุณธรรมเรานั้นให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเราก็สามารถเป็นไ่้ไม่ใช่ว่าพระพรหมจะมาลิขิตชีวิตเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะลิขิตชีวิตของเราให้เป็นพระพรหมได้พระพรหมาจะจะมาชีวิตลิขิตชีวิตเราให้ดีให้ชั่วไม่ได้ะตามหลักของพุทธ ถ้าเป็นหลักของพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี่เขายึดถือพระพรหมเป็นใหญ่ก็ถือว่าพระพรหมเป็นผู้ที่สร้างโลกแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนั้นเป็นความเชื่อถืออ่ที่มีการสืบสืบมานะเป็นความเชื่อถือของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายถือว่าพระพรหมเป็นผู้ที่สร้างโลกเขาก็บูชาพระพรหมกันอ่าการบูชาหรือาการบวงสรวงเหล่านั้น เขาต้ อ, องการให้เทวดาที่เขาบวงสวง น, นเกิดความเมตตารักใคร่ในตัวเขาจะได้เอาไปอยู่ด้วยหรือจะได้บดาลสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ในการบวงสวงการบูชาก็คือแบบนี้คือบูชาเหล่านั้นยังต้องการที่จะให้ผู้ตนเองยึดถือบูชาโปรดปลานแล้วก็จะ ประทานสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้หรือว่าเอาไปเป็นถ <c oughs> ้าทาบริวารในพรหมโลกในเทวโลกเหมือนพวกะดินก็รวเยกัตรินั้นบูชาไฟบูชาไฟคือเป็นลทัทธิยาหนึ่งลัทธิบูชาไฟ คือต้องการที่คือไฟมันเป็นเผาพลานสิ่งต่างๆ <c oughs> คือบูชาและต้องการที่ะจะไปเกิดพรมโลกหรือว่าต้องการให้ชีวิตตนเองเป็นอย่างนุ้นอย่างแต่พพระพุทธเจ้าไปโปรดเนี่ย <c oughs> ก็ให้ชาดินเหล่านั้นเลิกบูชาไฟพระรงทรงแสดงว่าไฟที่แท้จริงก็คือ ไฟคือราคะไฟคือโทสะไวคือโมหะเผาผลาญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ทุกทรมานไยเหล่านี้ไวโลภไฟโกรธไวหลงเผาผลาญสัตว์โลกให้เดือดร้อนนั้นก <c oughs> ารบูชาหรือว่าการบวงสรวงต่างๆ เราก็ได้ทำกันสืบสืบมาด้วยความเชื่อถือร้อยยึดถือว่าสิ่งที่ตนเองบูชานั้นสามารถที่จะบดาลสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ได้จึงบูชาจึงบวงสวงแต่การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเช่นเราบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเราบูชาคุณของพ ร, ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง บูชาที่ได้แสดงว่าบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรณาธิคุณไม่ใช่บูชาแล้วก็ขอให้พระเจ้าบรนลานแ่อนู้นสิ่งนี้ให้ไม่ได้หมายความ่าอยางงั้นคือเท่าการบูชาตามหลักตามหลักของพุทธศาสตร์ที่แท้จริงแล้วบูชาพระคุณสามประการ แต่ น, นี้เราชาวพุทธยางยึดถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประดาลสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้เราก็บูชาแล้วก็มีการบวงสรวงบนบาลสารกล่าวกัน อ, อันนั้นเป็นการบูชาที่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัยแต่ก็ยังยึดพระรัตนตรัยเงินแต่เข้ายังไม่ถึง เ้าเข้าถึงคขาบูชาที่คุณคุณของพระพุทธเจ้าแล้วบูชาแล้วเราต้องทําตามทําตามเพื่อให้แหละปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ก็เพื่อให้ความเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราคือให้คุณคือความเป็นพุทธะนั้นเกิดขึ้นกับเราบ้างคือเราบูชาพระพุทธเจ้าหรือว่าที่ว่า นับถือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเพื่อจะเอามาเป็นแบบอย่างพุดทางสาระนังกระชามิเนะี่ยเรามีพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นที่พึ่งอัมมังสระนังกระชามิสังขังสระนังกระชามิเนะี่ยคือเรามีที่พึ่งไว้เอาไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตอ่าไม่ได้พึ่งให้บรรดาโชคลาบแล้วบรรดาสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้อย่างเดียวคือถ้าเราพึ่งแล้ว เราทําตามโอวาทของพระองค์เนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการคือเราสร้างบา ร, รมีอ่าคือพุทธเจา้าบาเพ็ญทานบารมีอย่างไรศินบา ร, รมีอย่างไรที่เราสวดกันเนี่ยบา ร, รมีสิบนะเราเบาเพ็ญบารมีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการเราต้องการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต้องการเกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรเนี่ย เราก็ต้องทำทำคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นทำบารมีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเพื่อบารมีเหล่านี้นจะได้หนุนนำชีวิตเราให้ไปเป็นอย่างนั้นถ้าเราบูชาสวดอ้อนวอนบนบานสารกล่าวแล้วเราไม่ทำอะไรเลยคอยสวดอย่างเดียวรางคนเราชอบความสบายชอบความสบายเวลาที่จะมา ทำความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนามาให้ทานรักษาสินเจริญภาวนามไม่มีใครอยากมาทําแต่ถ้าไปบนบานศารกล่าวนะใ ห, นนให้ได้นู่นให้ได้นี่ก็ไปกันเพราะอะไรมันสบายเนะี่ยไม่ต้องทําอะไรแค่ไปจุดธูปบนหน่อยเดี๋ยวก็จะได้นูน่นได้นี่มันสบายดีแต่ถ้าทําความเพียร บ่อ้ทํำทานแล้วจะได้อย่างนู้อย่างนี้รักษาศีลแล้วจะได้อยู่นู้นอย่างนี้มาฟังธรรมแล้วจะได้เป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากมาทําหรอกมันลําบากไม่เหมือนไปบนเนามันสบายดีนั้นบนยังไงถ้าเราไม่ทำํำเราไม่ทําบารมีแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการ เราจะบนติดสินบนมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เราไม่มีบารมีที่เราทำมามันก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเรามีบารมีไม่ต้องไปบนมันก็ได้งานเท่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ได้วยการบนบานสารกล่าวแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนาอ่าไม่ต้องมาทำความเพียรให้เหนื่อยยากลำบาก ไปบนเเนี่ยติดสินบนมากๆเขาไว้มันไม่ต้องเหนื่อยนั้นเท่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ด้วยการบนบานสารกล่าวโลกนี้จะไม่มีคนทุกข์ไม่มีคนเดือดร้อนเพาะเป็นอะไรแล้วก็ บ, บนเอาบนบานสารกล่าวติดสินบนนั้นคนเรามันชอบสบายชอบติดสินบนชอบติดสินบน เวลาให้ทําความเพียรไม่เขาอยากทําให้มาฟังเทศฟังธรรมไม่มีใครอยากมาฟังแต่ถ้าเราบอกว่ า, วาพระที่นู่นศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ที่นั่นศักดิ์สิทธิ์นะไปบนแล้วจะอา่าเราถูกหวยหรือหือไปบนแล้วจะได้โชคได้ลาบจะได้สิ่งที่ต้องการไกลแค่ไหนก็ไปกันลําบากแค่ไหนก็ไปกันอา่าไปบนบานศาลกล่าวกัน แต่ถ้าบอกให้มาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมานั่งสมาธิแล้วจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีใครไม่มีใครอยามาทำนั้นคนเรามันไปยึดอยู่กับการบนบานสันกล่าวเพียงอย่างเดียวเพราะมันสบายดีไม่ต้องทำอะไรก็จะได้ <c oughs> นั้นทำมาได้สิ่งที่ต้องการจริงแนละ้โลกนี้มันจะไม่มีคนเดือดร้อน ไม่มีคนทุกข์แล้วพระพรมลิธิ์ได้จริงแล้วหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรนดานให้ได้จริงแล้วนะมันไม่มีคนทุกข์ไม่มีคนเดือดร้อนเพราะเวลาทุกข์มันก็บนอย่างเดียวมันก็หมดหนะทุกข์เวลายากจนก็ บ, บนให้มันมีโชคมีลาบอย่างเดียวมันก็จะได้แล้วนั่นการ <c oughs> เราบูชาพระพุทธเจ้าวรฒนพระสงฆ์เราก็ต้องรู้ออมีที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าพวัฒนเป็นที่พึ่งแล้วพุทธทางสนางคาชามีแล้วอ่พระสงฆ์ก็จะบอกว่าเมื่อมีพระรัตนาตายเป็นที่พึ่งแล้วก็อาศีลไปรักษ า, าเวลาที่เราจะประกอบพิจีกรรมอะไรกันอืพอพุทธทางสนางคาชาคคมิถึงตถาตตยัมปีแล้วเนี่ คือเราปฏิญาณตนว่าจะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและแม้ในครั้งที่สองแม้ในครั้งที่สามก็จะเอาภารตะนาตายเนี่ยเป็นที่พึ่งพระก็บอกเออเอาพระรัตนาตเป็นที่พึ่งอ่ดีแล้วอ่าเมื่อเมื่อเรามีพระรตนาตเป็นที่พึ่งแล้วก็ศีลไปเนี่ยไปไปพิ่มปฏิบัตินะอ่าถ้าปฏิบัติตามศีลแล้วเนี่ยก็สีเลนะสุขติญติอ่าปฏิบัติตามศีลแล้วจะมีความสุขนะ สีเลนะโพกสัมมาทาปฏิบัติตามสินแล้วโพกทรัพย์จะเกิดขึ้นนะสีเล น, นะนี้พุทธิยันติปฏิบัติตามสินแล้วเนี่ยจะดับทุกข์ได้จะถึงนิพพานได้นะเราก็สาธุแต่ว่าสาธุไปงั้นสาธุไปงั้นแต่ไม่ได้นํำไปประพฤติปฏิบัติรับสิ่งสุนเดชไปงั้น ไม่ได้รับฟังก็เรียกว่ารับฟังเฉยๆไม่ได้รับไปประพฤติปฏิบัตินั้นรับกันทุกวันรับกันทุกวันแต่ว่ารับไม่ได้รับรับไปประพฤติปฏิบัติรับฟังเฉยๆรับเป็นพิธีการเฉยๆมันก็จึงไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลมันก็ไม่มีความสุขโกระซําก็ไม่เกิดขึ้นทุกข์ก็ไม่ดับ เพราะเรารับฟังอย่างเดียวไม่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ที่เราจะเป็นอะไรเราก็ต้องมีที่พึ่งแล้วก็ต้องดาเนินตามเหล่านี้แหละคือจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นพระเรียบบุคคลขั้นไหนพอเรามีพระธรนิพายเป็นที่พึ่งแล้วปฏิบัติตามเนี่ยตามศีลตามหลักของศีลหลักของสมาธิหลักของปัญญาเนี่ยคือเราบำเพ็ญไปเนี่ย มันก็จะได้เป็นดังที่เราต้องการเราถ้าเราไปศึกษาการเป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพุทธสาวกศึกษาพุทธประวัติและอนุพุทธเหล่านั้นเราจะเห็นว่าพระรญยสาวกทั้งหลายนะบำเพ็ญบารมีตามพระพุทธเจ้ามาทุกภพทุกชาติบางชาติก็เกิดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็น คนยากจนคนแค้นบางพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันไม่ได้เกิดมาดีทุกชาติบางชาติก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ใดๆฉานบางชาติก็เกิดเป็นคนจนบางชาติก็เกิดเป็นพระราชาบางชาติก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นเสนาบดีอะไรมันเกิดมาหมดอยู่ที่บุญบารมีคือในขณะที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยคติมันไม่แน่เพรามันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงคติมันไม่แน่ ถึงแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่ก็ยังคติไม่แน่นอนพระโพธิสัตว์ก็ยังต้องไปตกนรกได้เพราะพระโพธิสัตว์ก็ยังมีกิเลสอยู่มีความโลภมีความโกรธเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามีจิตมุ่งมั่นเรามีจิตมุ่งมั่นมั่นคงในการที่จะบรรลุพระโพธิญาณแต่บางครั้ง ก็ต้องทำชั่วทำบาปเพราะยังไม่สามารถที่จะคุมจิตได้หรือบางทีทำความชั่วเพราะความโลภในทรัพย์บ้างเพราะความโกรธบ้างเหมือนที่ว่าที่พระองค์ทร ง, สงแสดงไว้การที่พระองค์ต้องถูกพระเทวทัตเอาก้อนหินมาทุ่มจนกระทั่งพระบาทห่อพระโลหิตอดีตกรรมของพระองค์ก็คือในชาติหนึ่ง ได้มีความโลภอยากได้ทรัพย์ก็เอาลวงลูกของพี่ชายลูกของพี่ชายเนี่ยไปผักลงซอกเขาแล้วก็หินทุ่มแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกนั้นเศษกรรมชาติตุด้ายก็ยังประโรงถึงถูกพระเทวทัตเอาก้อนหินมาทุ่มนั้นในระหว่างที่เกิดในวัฏฏะ มันก็ทำบาปได้ทั้งคนที่มีกิเลสคติไม่เที่ยงไม่แน่นอนถึงแม้ครั้งจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่นานๆพอมามนุษย์ติทำชั่วทำบ า, ำบาวก็เ ป, เป็นสัตว์ได้ฉานเป็นจุรกายเป็นเปรตสัดนรกได้ถึงไปเกิดได้หมดในวัฏฏะสงสารไม่มีอะไรที่เราไม่เคยไปเกิดก็เพราเราเกิดกันมามากแล้วเกิดกันมาทุกอย่างแนละ้วเป็น หมาขี่เลื้อนก็เคยเกิดกันแล้วเป็นสัตว์นรกไป็นสุรกายสัตว์ได้ๆฉานทุกชนิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาเชื่อดคอเกิดมาแล้วเป็นลัวเป็นปายก็ฆ่าก็เกิดมาแล้วอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เคยเกิดมาแล้วเป็นพระราชาหมาก็สัตว์เป็นเทวดาเป็นพรหมเกิดมาแล้วทั้งนั้นก็เรียกว่าในวัตฏะเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยไปเป็นไม่มีไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือพระอริยบุคคลนั้น เพราะเราเกิดมาบางชาติแล้วก็ทําบุญทํำกุศลบางชาติแล้วก็ทํท า, ช, าทชั่วแล้วแต่มันก็เป็นไปตามกรรมกระแสะกรรมเหล่านั้นก็จะพัดพาชีวิตให้เราเป็นไปตามกรรมเราทําดีมันก็พัดพาชีวิตให้เราดีให้เราเจริญใหเรามีความสุขใหเป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชาผู้เปญนใหญในแผ่นดิน เราทำชั่วทำบาปมันก็พาเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกแล้วแต่วิบากของมันพอหมดวิบากมันมาเป็นมนุษย์อีกเราทำดีก็กไปสู่สวรรค์ไปสู่ที่ดีอีกถ้าไปทำชั่วก็กลับไปนรกเหมือนเดิมเรา ว, วัตตะคือกติมันไม่เที่ยงเวียนเวียนเกิดอยู่ในอบภูมิเ่าเนี้ ที่ว่าที่เกิดที่ตายของสัตว์มันมีสามสิบเอ็ดแห่งคือมีอบยภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกพรหมโลกสิบหกรูปผมสิบหกกับรูปผมสี่ก็รว่าสามสิบเอ็ดแห่งเนี่ยเราจะท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดในส1มิเอ็ดแห่งนในสามเ็ดแห่งนี้ก็อยู่ที่ว่าเราคุตธรรคุณธรรมอย่างไหนทำคุณธรรมให้เป็นสันนรกก็ไปเป็นสันว์โรกทา คุณธรรมใหเป็นเป็ดก็ไปเป็นเป็ดให้เป็นสุนรกายก็เป็นสุนรกายให้เป็นสัตว์ฉันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดฉานทำคุณธรรมของมนุษย์เราก er ็มาเป็นมนุษย์ทำคุณธรรมของเทวดาแล้วก็เป็นเทวดาทำคุณธรรมของพรหมก็เป็นพรหมพอเป็นพรหมหมดหมดหมดกำลังสมาธิกําลังฌานกลับมามนุษย์นี่กลับมามนุษย์ไปทําชั่วไปอบายภูมิมันก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ ในสามสิบเอ็ดแห่งนี้ถ้ายัางไม่บรรลุมรรคผลตราบใดนะอันก็เร่าจริงว่าคติทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอ่าชีวิตเรามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะมีราบแล้วก็เสื่อมราบมียศแล้วก็เสื่อมยศมีนินทาแล้วก็มีสรรเสริญมีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตเราประสบอยู่นี้บางทีเราก็ถูกนินทาบางทีเราก็ถูกสรรเสริญ บางทีเราก็มีราบบางทีเราก็เสื่อมราบบางทีเราก็มีสุขบางทีเราก็มีทุกข์มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เที่ยงเป็นโลกธรรมมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ชีวิตเรานั้นถ้าว่าเราได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัตินะเอามา พอมีรารัตนาตายเป็นที่พึ่งแล้วเอาสินไปรักษาไปรักษาสินได้สินก็นำชีวิตเราไปสู่สุคติสุคติไม่ได้หมายถึงโลกหน้าอย่างเดียวสุคติคือคือเรารักษาสินวันนี้เราก็ได้ความสุขวันนี้แล้วแล้วก็มีสุขเป็นวิบา่าวคือสุขถึงพรุ่งนี้รืนนี้ต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปภพต่อไปชาติต่อไป มีสุกติมีสุกติเป็นที่ไปถ้าเราผิดศีลก็มีทุกติเป็นที่ไปทุกติไม่ได้หมายถึงไม่ได้มีเฉพาะโลกหน้าอย่างเดียวทุกติมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ในขณะที่ทําผิดศีลนั่นแหละแล้วก็มีสุขมีทุกข์เป็นวิบากเช่นเราไปฆ่าคนมันก็มีทุกข์ในขณะที่เราทําแล้วก็มีทุกข์เป็นวิบากคือเราอาจจะต้องถูกก็ฆ่าหรือไม่ถูกไป ลงโทษแล้วก็มีทุกข์ในโลกหน้ า, าก็าเรียกามีทุกข์บันวิบากมีทุกขติเป็นที่ไปในการทำผิดศีลพอเรารักษาศีลก็มีสุกติเป็นที่ไปพอเราทำผิดศีลโภคทรัพย์กับพินาศเราไปค่าเขาไปรักขโมยเขาเนี่ยไปปล้นไปจี้พาถูกเขาจับได้ ก็ต้องเสียทรัพย์เสียเกียรติยศชื่อเสียงเสียหมดทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็หมดไปแต่ถ้าเรารักษาสินเนี่ยทรัพย์มันก็จะเริญขึ้นเพราะทรัพย์เพิ่นี้คือความไม่ประมาทมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะรู้จกักใช้จ่ายทรัพย์รู้จักการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ถูกที่ควรทรัพย์มันก็เกิดขึ้น พเราชีวิตเราไม่ประมาทแล้วเราไม่ทำผิดศีลเนี่ยเราจะทำความดีเนี่ยความดีทรัพย์มันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปติดอบายมุกถ้าเราไม่ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้น้อยแต่ถ้าเรารู้จักกดลอมเราไม่ไปติดอบายมุก ค, ค่อยๆเก็บรักษาทรัพย์ไเนี่ยเราก็ค่อยๆมีทรัพย์แล้วสามารถที่จะไปลงทุน ทำมาหากินให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นั้นเราอ่านประวัติของคนที่ร่ำรวยแต่ละคนบางคนเขาก็มาจากที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขาขยันหมั่นเพียรรู้จักแสวงหาทรัพย์ก็สามารถที่อดออมไหเจนกระทั่งปากหลักปากทานได้มีเงินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ เราไปอ่านในเรื่องไอ้เศรษฐีหนูตายนะี่ยอ่าเศรเป็นข้าท่านของเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็ไปไปพยากรณ์มาไปเห็นหนูตายอยู่ทางถนนเดินไปแล้วก็เศรษฐีก็พูดว่าถ้าใครเก็บหนูตายเป็นวันนี้ไปเนี่ยก็จะได้เป็นเศรษฐีในวันหน้าอ่าให้ทานบริวารของเศรษฐี ก็เก็บไปหนูตายนะั้นไปขายอ่พอไปขายก็ปไปขายไอ้คนที่เลี้ยงแมวมันก็ซื้อไว้อด้วยอะไรเงินเพียงเล็กน้อยอบริวารเศรษฐีนั้นก็เอาทรัพย์นั้นนะ่ะมาไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนซื้อน้ำอ้อยซื้อน้ำตาลเนะี่ยอ่าไปไว้ <c oughs> ให้พวกเกี่ยวหญ้านะ อพกเกี่ยวหญ้ามันได้น้ําอ้อยน้ําตาลเนียมันก็ชื่นอกชื่นใจก้าหญ้าให้โคนละกําคนละรําก็หญ้านี่ไปขายได้มากขึ้นอต่อไปก็มารับซื้อหญ้าเต <c oughs> ืออะไรต่างๆจนกระทั่งไปบอกพวกขายหญ้านี่เวลารายพี่คนเอาม้ามาขายเอาม้ามาเนี่ยต้องการหญ้าเนี่ยถ้าหญ้าของเราไม่ขายก็คนอื่นจะพึ่งขาย <c oughs> นั่นก็เลยขายญ่าได้ราคาดีแล้วก็ทรัพย์นั่นไปประมูลไป <c oughs> ประมูลไอสินค้าในเรือถ้าเรายังไม่มาขายก็ขายไม่ได้ก็ไปประมูลผลท้ายก็ได้ทรัพย์มากมายเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีได้นี่ก็มาจากเก็บหนูตายเพียงตัวเดียวอาไปขายเริ่มแรกนั้นมาอยู่ที่ การใช้ใจ่ายทรัพย์นี้บางคนทําได้ร้อยกินก็ไปสองร้อยทั้งกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะแล้วก็กู้หนีย่ยืมสินมามากมายใช้ใจ่ายไม่พออันนี้พราะมันไม่มีสินพอมีรายได้ขึ้นมาหน่อยก็เอาไปกินเหล้าไปสูบยาไปเที่ยวเตะสนุกสนานเนี่ย ที่ว่ามีได้ร้อยนึงก็ใช้จ่ายไปสองร้อยแล้วมันจะมีทรัพย์ได้อย่างไรถ้าเราได้ร้อยนึงก็แบ่งกินใช้แล้วก็เก็บอดออมไหมใช้กินใช้เนสิ่งที่จมเป็นเหล้ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาบุหรี่มันไม่ใช่สิ่งที่จาเป็นเราก็เก็บไปส่วนที่จะไปกินเหล้ากินยานะนั้นเก็บไหม พอเก็บ okay, ไว้เดี๋ยวมันมีทุนมากขึ้นเราก็สามารถเอาทรัพย์ก้อนนั้นไปลงทุนทำอย่างอื่นได้ทรัพย์มันก็จะงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเรามีสินเนี่ยเราไม่ประพฤติเสียหายแล้วทรัพย์มันไม่พินาศเราไม่กินเหล้าไม่เที่ยวเต่ไม่มีคดีติดตัวแล้วมันไม่มีทรัพย์มันไม่พินาศเราไม่จะงอกขึ้นนั้นสีเลนะโพคสัมปทาน คือคนรักษาสินเนี่ยโภกทรัพย่อมเกิดขึ้นอันนี้โภกรทรัพย์คือความไม่ประมาทมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทรับมันตามอ่ะเออนี้มันจะต้องมองเห็นด้วยปัญญาอ่าเราไปคิดว่ารักษาสินแล้วมันจะได้ทรับอ่ามันไม่ได้ทรัพบเพราะนั้นเราจะต้องเห็นด้วยปัญญาใครคนทำผิดสินแล้วคนมีสินเนี่ยทรับมันจะเกิดขึ้นไงทรับมันพินาศยางไง งั้นไอ้คนที่มารู้จักอดออมทําผิดศีลนี่ที่ว่ารายได้ร้อยกินกเข้าไปร้อยห้าสิบนี่มันจะมีไงทับได้ไงทําตลอดชีวิตมันก็เป็นหนี้ตลอดชีวิตอไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้เพราะไม่มีศีลนะนั้นเราเห็นว่าคนที่รู้จักอดออมเป็นคนมีศีลบางทีไม่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเป็นคนรับจ้างมาก่อนแต่รู้จักอดออมไม่ไปกินเหล้าไม่ติดยาไม่เที่ยวไม่เตะ มีรายได้ร้อยก็ใช้ไปห้าสิบเก็บไปห้าสิบเก็บไว้ทุกวันทุกวั น, วนซับมันก็งอกเงยกินอ่างอกเงยขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปลงทุนทํามาค้าขายแล้วทํากิจการรายของตัวเองได้เล็กๆน้อยๆขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆโชคลาภมันก็จะเกิดขึ้นอ่ะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ นี้เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทำตามหลักศาสนากัน <Yeah. S 1> บางทีเราก็ว่ายพระสวดมนต์แล้วไม่เห็นได้อะไรเลยไปทำบุญแล้วไม่เห็นได้อะไรเ <Yeah. S 1> พราะเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้มองด้วยปัญญา <Yeah. S 1> เรามองด้วยปัญหา yeah. <Yeah. S 2> พอทำปุ๊บก็จะให้ได้ปับ๊บ อ, อะไรเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> รียว่า ทาบุญแล้วก็อยากให้ได้นู่นได้นี้ให้มันได้ทันอกทันใจพอไม่ได้ก็ท้อถอยทําความดีแล้วไม่เห็นได้ดีคือบางทีเราทําความดีไว้เล็กน้อยแต่นะจะให้ความดีส่งผลมากมายพอความดีไม่ส่งผลก็ผ่อง ทำดีแล้วมันเห็นได้ดีเหมือนเรามีเงินสิบบาทจะไแต่ต้องการที่จะได้ของร้อยบาทเงินสิบบาทมันจะไปซื้อได้อย่างไรของก็ขายร้อยหนึ่งเราจะไปซื้อเก้าสิบาทขาะก็ขายให้อันนี้เหมือนกันบางทีเราทำบุญนิดเดียวแต่ปรารถนาจะได้เป็นนู่นเป็นนี่อพอไม่ได้เป็น ก็นึกว่าทําดีไม่ได้ดีบุญไม่เห็นส่งผลนั้นเวลาคนบางทีจะทําบุญก็เวลาเนี้ยบางทีเวลาต้องการจะอะต้องการจะได้นู่นได้นี่จะเป็นนู่นเป็นนี่กันนะทําบุญเวลาปกติธรรมดาไม่ทำํำนะอยู่ปกติธรรมดาไม่ทำบางทีจะอาบางทีจะเล่นการเมืองหรือว่าอยากจะได้นู่นอยากได้นี่เอานะไปทําบุญ แต่ปกติธรรมดาไม่ทำนี่พอทำแล้วบุญส่งผลให้ไม่ได้ก็คิดว่าเอ๊ะทำบุญแล้วไม่เห็นได้ดีทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยบุญไม่เห็นให้ให้เราได้เป็นอย่างไี่สิ่งที่เราต้องการก็บุญเราทำเบ่งเล็กน้อยจะให้มันส่งผลอ่า ไอสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าบุญของเราที่ว่าเรามีเงินอยู่บาทหนึ่งจะไปซื้อของราคาร้อยบาทมันก็ไม่ได้มันต้องเก็บสะสมให้ได้ร้อยบาทซะก่อนมันที่จะได้ไอสิ่งที่เราต้องการอันนี้เราอยากเป็นนูน่นเป็นนี่มาทําบุญอยากได้นูน่นอยากได้นี่ทําบุญแล้วก็จะให้มันได้ปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้เราต้องสะสมบุญไปเรื่อยๆจนกระทั่งบุญนั้นมันเพียงพอแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะได้สมปรารถนาก็ว่าบารมีที่ว่าการตัดรู้เป็นพุทธเจ้ามะบรารมียังไม่เต็มนี่ไม่ได้ตัดรู้ก็ต้องทำบรารมีไปเรื่อยๆอว่าจะตัดรู้เนี่ยเป็นเป็นกลับเป็นแสนแสนกับเป็นอสงไขยกับจนไม่ใช่พอทำวันนี้แล้วก็จะได้ตัดรู้เลยมันต้องสะสมไปเรื่อยๆ งนั้นความดีนะทําแล้วมาได้ผลแต่เรามองไม่เห็นเพราะเรามองมันด้วยตัณหาไม่ได้มองด้วยปัญญาพอทาความดีหน่อยเอ า, น, น, เอานุ่นเอานี้พอบุญไม่ส่งผลแล้วไม่ทำแล้วเลิกทายิ่งเลิกทาก็เลยยิ่งไม่มีบุญชีวิตก็ยิ่งตกต่ําอไปคือบุญเท่าใครทาคนนั้นก็ได้ ความดีความชั่วเนี่ยใครทำคนนั้นก็ได้แบ่งกันไม่ได้เป็นกรรมใครก็รกรกรมก็ของใครของมันฉะนั้นให้เรานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเอาไปประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวชีวิตของเราเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เราต้องการแตาเราทำตามพระพุทธเจ้า ทําไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทอ้อถอยเราทําเพื่อเพื่อฝึกหัดตัวเองไม่ได้ทําเพื่อหวังผลในด้านอื่นในด้านการยกย่องสรรเสริญหรือว่าหวังลาบยศสรรเสริญอย่างนั้นถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วพอไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อ แต่สิ่งเหล่านี้บารมีเนี่ยเราทํามันแล้วเนี่ยนะเราเราทําเพื่อฝึกตัวเองสร้างบารมีให้ตัวเองเราไม่ต้องไปหวังเหล่านั้นพ บ, บารมีมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็มาเองมัน like ปลูกต้นไม้น ะ, ะเวลาที่มันยังไม่ออกผลเราก็ต้องดูแลมันรดน้ำพรวดินมันอเวลาที่มันออกผลให้เรามันไม่ออกทีละลูก อ๋อทีละผลมันออกมามากมายเราไปห้ามมันไม่ได้ให้มันบอกบังคับมันออกทีละลูกก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อ่ามันก็ออกมันเต็มที่ความดีก็เหมือนกันเวลาที่เราทำบางทียังไม่ให้ผลเนี่ยเราก็ท้อแท้ไม่ทํความดีก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ไม่เห็นมันออกผลทันทีแรกๆกก็ขยันดูแลรดน้าปนดิน พอลดน้ำพ่นดินไม่ได้ไม่รู้จักออกดอกออกผลทันทีเพอแท้เมื่อไหร่มันจะออกเลิกรดน้ำพ่นดินต้นไม้ก็ตายหรือต้นไม้ก็แคร็กแกนให้ผลก็ให้ผลไม่ไม่ดีพอเราไม่ดูแลอันนี้เหมือนกันพอเราทําความดีอยากให้ความดีนั้นส่งผลได้นู่นได้นี่เริ่มแรกพอฟังทำ ม, มากไปว่าทําอันนี้แล้วได้อนั้นได้อันนี้ เรามีความศรัทธาเริ่มแรกก็ทำตามอพอทำไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ส่งผลเราก็ทอ้อแท้เนี่ยเหมือนปลูกต้นไม้เมื่อไรมันจะออกก็ทีพอแท้เลิกไม่ดูแลอันนี้เหมือนกันทำความเพียรทาสมาธิภาวนาทาทานการกุศลแล้วจะให้มันได้ผลได้ผลนู่นผลนี้โอ้ยรอไม่ไหวมันนานเหลือเกิน ทำแล้วไม่เห็นมันส่งผลทันทีท้อแท้เลิกไปบุญนั้นมันก็แค่แกนอเหมือนต้นไม้ที่เราไม่ดูแลมันแค่แกนแล้วมันเอาออกผลมันออกผลไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้ทําไปเรื่อยๆพอบุญส่งผลแล้วเนี่ยเหมือนต้นไม้มันถึงฤดูการที่มันจะออกผลเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันต้องออกของมันเต็มที่ออกมันเต็มต้นนั่นนหะ ให้มันออกทีละลูกออกทีละผลไม่ได้มันก็ออกมันเต็มที่บุญกอมันเวลามันส่งผลแล้วเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้อ่ามันส่งผลให้เราได้สิ่งนู่นสิ่งนี้เราก็ได้เต็มที่บริบูรณ์ของเราอ่าเหมือนต้นไม้มันออกผลแล้วมันก็ออกมันเต็มที่ไม่ออกทีละผลบุญบารมีที่เราทำเหมือนกันพอมันส่งผลเต็มที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ ที่เราสร้างบารมีไว้มันก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานเอาไว้มันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเราบังคับมันไม่ได้เพราะว่าอย่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับเรานะสิ่งนี้อยเกิดขึ้นกับเรานะเมื่อถึงเวลาบุญมันส่งผลแล้วบังคับไม่ได้มันก็ให้ผลมันเต็มทีนั้นก็ขอให้เราจะได้ท้อแท้ในการสร้างความดี ให้เราทำของเราไปเรื่อยๆแล้วทำแล้วก็ต้องละความชั่วทั้งหลายด้วยต้องฝึกจิตใจไว้มีสมาธิมีความหนักแน่นรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆในฐานที่ชั่วอ่ะต่อไปนี้เขาตั้งใจนั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกไปบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆ